มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันอวัยวะของเราผิวหน่าเป็นผู้ชายจะเหมือนกันกับอวยวะของเขาคี่เป็นผู้หญิงมันมีุ่วนใดผิดแปกกันแต่หนังอันเดียวกันเนื้ออันเดียวกันแต่เราพใจตามสมนตของโลกโดยที่ไม่พิจารณาธรรมจึงไปเลือ่อหลงติดข้องกัณฑ์เพลิดเพิน ดะนั้นการพิจารณาธรรมะเป็นเป็นเรื่องแกะไขร า, าคาตันหาพิจารณาลึกเข้าไปทภายในใจรื้เห็นตามเป็นจริงยอมจำนนทำหวามทั้งวิจเจ้าเป็นของจริงอย่างนี้ แกราหนักแกามเบาหรือตามหรือตามตัวมีอะไรสวยงามมีคุณค่าราคาพอขายได้่งแขงเงางหมนถ้าไปถ่ายไปบ้างไปเรียนเขาเขาจะตัดตังใหม่ถ้าเหตใดพเป็นของเประบกมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นเมือดสวยหมืออหลืมันหน้าแดงมันสวยมันงามถ้าตัด แขตัดขาตัดคอเลือกได้เป็นมากๆเอาไปเทไปนั่งคุยนอนของเขาที่ที่นั่งคุนอนของเราจะดีเราเปนใจไหม้ามันสวยานงามเป็นใจแบบไหมสอยสวงามเราไปสักลาบดูชาแลวชอบดมแ่มันมีกลิ่นหอมอันนี้มันมีใครเป็นใจพอใจทาทางที่เขาเลเหือนั้นเหมือนกัน ถ้ามันอยู่ที่เจนาใครในใจจึงยิ่งเหลืองอย่างนั้นให้พิจารณาหาทางสำนักจิตใจอย่าปล่อยใจตามเมื่อราคาตัหาทุกคนเบียกมาเกิฝึกฝึกฝนอบรมจนครเ็มเพื่อจะแก้ไขใจผิดข้แล้วแต่เบียมาเรื่องเบีมาเพลิาณาหา ยอมตัว มีอัตมีธรรมมีเมจตาซูนามีธรรมะในตัวเหตุ น, นั้นคือมีธรรมะก็อยู่ในสถานที่ใดจึงไม่เป็นเรือนเป็นไทยตัดตาสิ่งกลัวมนุษย์อยู่เป็นปกติกของมันเมื่อทรามคือมตสีมีธรรมไปพักคาอาศัยกันไรนั้นใช้จะมาอยู่มาอาศัยแล้วไม่กลัว นะนะไปอาไผสร็จหนึ่ยัง้อไม่รักเแหนึ่งคเราตัดใบางทีมน้นุนอยู่ตไหนแยก็มันใหยุดหาก็ได้แต่เป็าอรมาเป็นอย่างไรอะไรนั้นจต้องิดืดหนุ ตัวก็จิตของเขาไม่มีธรรมอาจจะมาถาราลายตายต้องจัดจัดเป็นตัวเหมือมีความดีในตัวก่อแผ่กระจายให้ความสุขให้ความหมายแงใจนะคนอื่นจัดอื่นได้ถ้าม่มีความดีในตัวตัวเครื่องตัวเองัต้งหรอตัวเือง นี่เครื่องดังนี้ อาศัยสติพออาศัยปัญญาคิดวิจารณาแสงสนมีทันติความอดทนมีวิยะความขาดเทียนแต่บังทับบังตาจิตใจที่มีุดเดืดังหาให้ตกออกไปไม่ยาก เรื่อง ถ้ามันนอกจากนั้นเป็นอนิจจาไม่ตั้งมั่นเป็นอนัตตาบังท่าบังคาไม่ได้แล้วคนอื่นตัดอื่นมันจะมีอำนาจาชนามาแต่ไหนมันเหมือนกันหมดอาตุยนาดูคนนั้นในใจชัเกรยังเหลื่ไหลเกดเกรติดข้ออ่ามันเสียบงามแต่เยซู เดียเหนือเข้ามแต่ันเป็นอย่างไรถ้ายังไม่งใที่จมาดูผิดดูใหญ่เ้ามานันมันเป็นอย่างไรที่ใจมาถึงเกียดถึงขนจิตใจยามจำนเชื่อม่นอยกพคนเกิดมาจ่ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นหมืนเป็นสาวกันเชื่อระยะเวลาใต่้งนิดกหน่อยไม่ใช่มันเป็น สวยเก่งงดงามหรือเรื่อยไปจะแย้ลงต่อจะแจะจะเท่าจะเข่าคูอ แตะเ็นแนวเวแถวเดียวกันคือการพุยนาหักขันายนะจิดจิตติดขงซึ่งซึ่งหัยนาภายในแต่ทงานเดียวกันใจของเราไม่ใช่ยานัแต่เพ่งเพงเ่าจะมีอยู่ทการทุเวลาจเสียไปทุกดันท มันเป็นจิตใจเมื่อรับความสงบระงับยืดเห็นตามเป็นจริงทอดผ่อนทุกไทยของจิตของใจแอาการที่เกิดขึ้นได้ในวารุปตธรรมลินามธรรมมันมีพลังโยกันเกิดขึ้นได้มันจะหายไปได้สิ่ที่ไม่เกิดไม่ตายคืออะไร ดูใจนะให่เข้าใจให้เห็นจริงยาทราางไหนี้มันมีเุใคแต่อาศัยจุดเด่อปัญหาเม็ดหมอกปิดบางไรไรซ่งหม่มองเห็นคัดคิดเข้ากันตามพพอทีมันมีเหต่แสงมันมีแสงนาสี จะติดตามกัน ตาแบอกไปแตางคือใดเปแต่ไหนไฮอันตารายแดบบงนั้นเรมนี้เป็นมจบกติ นักบวชปฏิบติปฏิบัติในด่นักด่ขนนักบวชปฏิบัติปฏิบัติในรักความสงบสัในรักความเย็เย็นใครก็ให้แต่มีโอกาสเวลาทำจิดทำใจของเขาให้รู้ให้ไขใจให้เห็นให้เป็นในอดในธรรมาเพราะใครม่มีโอกาสวลามากมายเหมือนนักบวชหยุดกางงานยย่งเย็น มีตลาดเวลาลาคนมุเลาคนแกเวลาคู่เท่ามันเป็นมีอย่างนั้นเลกอันนี้ม่มีอะไรที่จะใหม่เหมือนกันแต่ไหนแต่ไรมาพระจ้าเจ้ายังมอุบัติตรนโลกนี่ก็เป็นมีูอย่างนี้ศตร์ในแล้วแต่เหมือนกันอนนี้ไม่ทานไปแล้วก็เป็นอยอย่างนี้ มีอะไรผิแปลแตกต่างไม่ดีแต่พิจารมาถึงธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่ามันเป็นธรรมในแบบว่าอยเสียงแบบาล่อย่ารสใจก็เลยสงบใจก็เลยสบายไม่หุนหานกาะวนกระวใจจะถามที่ใดตจอาหาเหิดใจะถามที่ใดใจสงบดิต การจะทำบรราเพ็ญภาวนาเป็นหน้าที่ของนักอวจทุกคนอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นแต่เรามีหน้ <c oughs> นาที่ประหน มันนมันลำบากแต่ที่สุดถามงานเราไม่ได้ทำงานอะไรหนักหนาลำบากยางยังอย่านี้เพียงิต่จะได้เปต้มเขาว่านะมีที่ปลอดภัยไม่เล่นเราเราดังขยันขยันเราดังในใจใจพอใจทำแล้วไปทำสิ่งนั้นไม่จะรับมือรื่อปัญหาได้ไหมมี็จใจพอใจ หรือเมื่อจะสละี่เด็ดการหาทําไมนั่นอ้างว่าเมตเหนื่อยทําไมนั่นอ้างว่าร้อนว่าหนาวเขาไม่มีใจหรือไมีใจหรือเขาที่ทําได้หาอุบายต่างๆมาแฉกตัวเมื่อเรามีอุบายมีปัญญาแฉกตัวความเื่อต่างๆ ไปสื File, ่อารมณ์ส enfin ันญาต่างๆมันจะตกไปหมดไปต่างใจบำเพ็ญคุณณาความดีใเกุญสึกนักเวทแถนั้นเป็นผู้มีโอกาสเป็นผู้มีโชคดีถือจะทีี่แจนกลางชีวิตเส่อคลาว่าเดินยากหนักยากหนาเปโอกาสเวลาไหนอำนวยให้เราพุก คุณเป็นผู้โชคดีอย่าเปหลงหลไปตามคนอนอย่าไปเไ ป, ป, ปน็นคนนอกไม่ปฏิบัติธรร เป็นเดิมพันหากมันหมดพ้นไปจากที่เด็ดต้อหากองข้อมันตายไม่ต้องามคือการทาความเพียรการทาละใจการแกให้ชู้ถ้าากมันจะพ้นประโยชไปได้กองข้อมันเด็ดม้นเพไปเสียเพราะการเลนได้ตายเกิดมันลำบากยากเย็นถ้าผู้เป็นอย่างไร อดีตชาติที่ผ่านมาเป็นเหมนกันอนาคตที่จะไปจะเกิดต่อไปเป็นเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะเป็นตันหาแต่มันจะมีความสุขความสะดวกสบายจังหวะมันได้หมดวหมดชาดไม่ จะ่จะเสียงเขาก็เสียงเขาได้ไรู้ไปเห็นท่านในใจทั้งต็จะประหยัดอะไรที่จะไปถูกไปเสียงเสียเวลาสำหรับคนหนงหนาตามืบอกให้มันดูให้มันได้ยินมีตัวมือหรือมีตาที่จะตั้งออกจะมีเห็น มพนันทำจอยู่อย่างเสียสบายทางกายทางใจทั้งท่านทุกคนเมื่อหลังอยากจะมีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่าไปมองข้ามเป็นทองตนอย่าเป็นสี่อัพอาภัพอัฏสนาตั้งหน้าตั้งตาที่จะเรียนาตั้งหน้าตั้งตาทงความเพียรหยุใจที่เใจอย่าหิวเอร่ล่ำต่างต่างอย่าเหวียงตัวองบ จยุดใจหยุดใจสงสัยผัดข้องจะปล่อยวางความสสอยจะแหย่ จ, า, ย จ, จากความยึดมัาา่นตข้องในสัญญาเร่งต่างๆพระใจรู้เเป็นจริในตัวธรรมะของรู้ได้แจ้งทุกคนเหมือเ็นเหมือ่อรู้งมีทางสงสัยทุกคนจะชมเชย สั ง, งเกตุเทวดาเจ้าลิษาว่าเป็นสิ่งลาดแลมคมเหนือโลกไม่ลืมหลงติดข้องกับอะไรเพราะเห็นอยู่ในตัวของตัวใจของตัววันนี้ติอย่างไรแต่เทวเจ้าลิสาวติดรู้มากกว่าแต่รู้มากเป็นอย่างเดียวกันเดี๋ยวลองจำเอาอดีต หรือแต่เป็นบางหรืออนาคตเมื่อถึงความบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะเปลงใสพยานทีนีผู้ใดมาพยานศึกษาพยาากเยียมหน้าขีของปิตุตังเมเนหน้าขีของนักเวดอย่าไปคิดเป็นสิ่นแ่นสิ่งนี้จะเป็นของมือเปค่ ป่าธรรมะติดใจทั parable, ้งว hmm? ่าาตังตายใหญ้ตอาป็นนอื่นเป็นคนีเธรรมคน้แหละเป็นคนที่จะไม่มีารตัวเป็นคนที่จะรเป็นหาความเย็นเยสงบไม่ดาิาณาพยายามศึกษาพยายา ดูจิตใจทั้งตนอย่าไปดูสิ่งอื่นเพราะสิ่งอื่นมันไม่ให้สึดให้ทิดข่าจากจิตจากใจเท่านั้นสึกสึกทุก์บ้างพิจารณาภายในสงจากปัดใจออกไปสิที่ันเป็นทเป็นทายเชื่อให้ลุมโยงเกิเทิมมันกใชจ้า สาวกเกี่ยวใจตติปฏิบ like ัติายใจที่ทอย่างนี้ใจ้ง่านจเราจะอาภัอานเป็นมะสหรับเราเเดียไม่มีา่าเ่แงพระพุทธเจ้าจะเป็นงเป็นค่จะเป็นเกใจ ทำนะแล้วเกี ta, la la no. ่ยนใจงกับเี่ยนจอยาจะได้ควาิตความสมายจะได้ความเพิ่มากยิ่งใหญจากเีมุที่จุดของครอยากไปคิดไปหลังพยยามถัดเคียงพยอยามอดทนพยายามติดฝนเรื่องจิตใจ เหนื่อยล้าเยื่อใยทุกคนตั้งใจที่จะไปมาตั้งใจที่เล่าสารจิตใจติตัวติดดของใส่สมอต่างๆจะหายจากความติดตันมาสงบหายกความใส่สองเกิดแผงใส่หายจากความติดข้องของใจมีความติดอยู่ภายใน ตลอดการธรรมะของพระพุทธเ้าป็นองเปรตที่เกิดอย่างนั้นสดงขอติขันจึงนไปที่นิพพานตตาและต่างหน้าต่างตาหาเปลี่ยนีาจรเรานึ่งองแต่จะเป็นสมบัติของเราเหนว่าสั่ตามพิบายทธาขอติขันจึงมีความสุขความเจริญตามพิบิธรรม เห็นอยากไปควรตีเวลาเวลา